ถามโลกตอบธรรมในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนถามถ่าอาจารย์คริตโสธิพโลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เคยรวยออือเคยรวยอย่างชนิดที่รวยมากมากและไม่น่าเชื่อที่เขายากจนลงพวกนี้นี่เราจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องกรรมอะไรพุทธบัญญัติมีกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ไว้หรือไม่ก็คือถ้าพูดกันเหตุผลในปัจจุบันเนี่ย ความเสื่อมแห่งโควคาเนี่ยมันจะมีอยู่สองกรณีก็คื อ, อาการที่คนคนนั้นเนี่ยกระทําผิดศีลศีลนะ <Okay. S 1> ห้าเนี่ยนะคือมาตรฐานเลยแล้วก็อย่างที่สองคือในเรื่องของอัอบอายามุกนะ <Okay. S 1> ที่ไปเที่ยวเตะกลางคืนบ้างเป็นนักเลงสุลานักเลงการพา น, านันนะเล่นการพานันอะไรพวกนี้นะ <Okay. S 1> สิ่งเหล่านี้อบอายามุกต่างๆเนี่ยนะเป็นเหตุให้โควคาทั้งหลายเนี่ย ของเราเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปนะะแล้วถ้าถ้ามองในในแง่ของอ<ำ>บุพกรรมกรรมอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะนอกจากผู้ที่มียา น, นาทศนะท่านมองไม่เห็นจับต้องอไม่ได้แต่ในความรู้ที่มีอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยตรัสไว้บ้างไหมคะว่า ต้องทำกรรมอย่างไร อ, อทืที่เป็นบุพกรรมที่จะทำให้ปัจจุบันต้องลำบากอย่างนี้หรือว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเรื่องกลุ่มตรงนี้เรื่องของศีลทั้งนั้นเรื่องของศีลเรื่องของมรรคมีองแปดนะไม่ยกเว้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะมาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในกรอบของมรรคมีองแปดหมดเลยหนทางมีอีกอย่างหนึ่ง<ช>ที่พรเจ้าบอกไว้ว่าธรรมสามประการตรงนี้ ถ้าอืมบุคคลใดมีบุคลบคลใดกระทําให้มากน ะ, ะไม่ว่าเขาจะเกิดในภพภูมิใดเนี่ยเขาจะไม่มีทางตกต่ําเลย่ะนะอืมทรัพย์สินเงินทองเขาไม่มีทางบกพร่องธรรมสามประการใช่ธรรมสามประการประการแรกรก็คือเรื่องทานคะนะถ้าเขามีการใหนะ้มีการให้เป็นนิดให้สม่ําเสมอะนะอย่างที่สองเนี่ย เรื่องของธรรมะคือความข่มใจค่ะข่มข่มใจยังไงคะความข่มใจก็เหมือนกับการทําสมาธินั่นเองนะการข่มจิตไม่ให้ไม่ให้มันซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเรียกว่ามีการข่มใจนะแล้วอีกประการอีกประการห<อ>นึ่งเรียกว่าสัญญาะความสํารวมระหว่างความสํารวมระหว่างการสํารวมอินทรีย์สังวรสํารวมอินทรีย์นั่นเองสํารวมที่ใจของเรา เพราะนั้นธรรมะกาบสัญญาณนี้ก็จะคล้ายคล้ากันเหมือนกันสมรวมระวังเรียกว่าเป็นธรรมะที่จะทําให้ชีวิตของคนไม่ไปสู่ที่ตกต่ําไม่ตกต่ํำแล้วจะเกิดในภพภูมิใดก็ตามไม่มีทางตกต่าเลยท่านแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้ในมีมีเหตุอะไรจึงแสดงธรรมเรื่องนี้เหตุเกี่ยวกับตัวท่านเองเลยอ๋อค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งพิจารณามองย้อนไปในอดีตของท่านถึง91กับ เ <91 S 2> นะก้บกับใช่ท่านบอกว่าเก้บกับของท่านเนี่ยชีวิตท่านไม่เคยตกต่ําเลยจะเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาพรหม<ๆ>เกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดา<ๆ>เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิท่านก็มาพิจารณาว่าเพราะเหตุปัจจัยอะไรทําไมท่านไปเกิดในภพปูมิใดเนี่ยท่านมีทรัพย์สินมีบริวารมีข้าทาสนะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากนะค เมื่อท่านพิจารณาด้วยยานทัศนะของท่านแล้วแะท่านก็รู้ว่าธรรมะสามประการนี่แหละที่ท่านทำแล้วเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดในภพภูมิใดๆก็ตามตั้งเก้าสิบเอ็ดกลับไม่เคยตกต่ำเลยก็คือการมีทานมีธรรมะความกลมใจมีสัญญมณความสำรวมระวังอเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอย่างกับถ้าซะยกตัวอย่างให้ทำได้ง่ายเข้า ยังกับปุถุชนธรรมดาเราเนี่ยค่ะทานอันเนี้ยก็เข้าใจแล้วว่าให้ทานเป็นริสระทานมีหลายลักษณะทานที่มีอนิสงฆ์มากก็คือทานที่ทํากับผู้ที่มีศีลนะคะธรรมะข่มใจนี้ยกตัวอย่างอย่างไรดีคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่าเช่นว่าถ้าเราเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาตเขาเราเห็นเขาโกรธเราจะไม่โกรธเราข่มใจค่ะอ่า ท่านเรียกอีอย่างว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อการขูดเกลียกิเลส <คะ S 2> เป็นธรรมเครื่องขูดเกล่าวน ะ, ะเขาเห็นเราเห็นเขาพูดโกหกเราจะไม่พูดโกหกเราเห็นเขาพูดเพรอเจอเราจะไม่เพ้สเจอร์นะอ่เราเห็นอะไรก็ตามที่มันเป็นอคุศลเนี่ยเราข่มใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้การอยู่ในสังคมมันก็ทำยากเหมือนกันนะคะก็ทำยากแต่มันต้องฝึกต้องเพียนและจะทาให้เราเป็นคนประหลาดของคนอื่นไหมคะก็อาจจะ เป็นแรกๆเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ฝึกเร็กเนี่ยจะดูเก็งเก็งแข็งแข็งแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วชํานาญแล้วก็จะเริ่มมีความอ่อนตัวสูงแล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่ า, าจังหวะโอกาสเวลาในการกระทำมีความแนบเนียนในการกระทำความดีมากขึ้น <c oughs> โดยที่บางทีแล้วคนอยู่กับเราไม่รู้ด้วยว่าเราทาความดี <c oughs> อย่างพูดถึงโดยเฉพาะสังคมไทยนะฮะ <c oughs> พอคุ้นเคยกันมากเข้าเนี่ย การที่จะพูดอะไรที่มันออกไปในลักษณะที่คล้ายๆกับเหมือนกับพูดเล่นน่ะอังนั้งพูดเล่นบางครั้งมันคล้ายๆกับพูดเพรสเจอร์อย่างนี้นี่มันก็เกิดอยู่ตลอดเวลาคนพูดนี่ก็ผิดไปแล้วหรอคะก็ผิดอยู่ถ้าจริงๆก็ผิดอยู่ก็จริงๆผลเสียของการพูดเพรสเจอร์นี่มีเยอะเหมือนกันแต่เนื่องจากเราไม่ยังไม่เห็นโทษแต่การพูดเพรอเจอก็ยังไม่ได้ผิดสินห้าไงเป็นยังเป็นโสดาบันได้อยู่ นะยังเป็นอริยบุคคลขั้นต้นได้อยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครคุมได้ทำได้ก็เรียกว่าได้สัมมาวาจามักมีองค์แปไปข้อนึงนะถ้าทำได้สีประการก็ละเอียดขึ้นนะเคยเห็นบางคนเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้สงสัยจะพยายามระมัดระวังข่ออมอะไรทั้งหลายเนะี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็จะเป็นคนที่ที่ค่อนข้าง เรียบร้อยออแต่เป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะค ะ, ะถ้าจะว่าไปเข้าใจว่าคนคนเนี้อาจจะกำลังพยายามทำในสิ่งที่ท่านเรียกว่าขมใจอยู่เพียงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเขากระโดดเด่นกว่าค น, นอื่นๆหมดเลยนะคะดังนั้นเป็นเรื่องที่ที่ทำได้ทาได้แต่คงท ำ, ทำไม่ไมง่ายต้องอาศัยความพยายามความพยายามใช่ขมใจแล้วก็ จะมีโอกาสที่จะไม่ตกต่ำนะคะกับอีกอันหนึ่งสันสัญญมะสัญญมะใช่ความสํารวมระวังก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันกับในส่วนนั้นแต่คงจะละเอียดขึ้นนิดหนึ่งนะมันจะละเอียดขึ้นนิดหนึ่งเป็นการสํารวมจิตและสํารวมใจมีเวลานั่งสมาธิ10บนาทีสิบห้นาทีใครได้มากกว่านั้นก็เอานะใครได้เป็นชั่วโมงก็เอาอย่างนี้นะสมาธิด้วยวิธีพระพุทธเจ้าด้วยวิธีรูเจ้ากั้นจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวนะ จะเป็นอะไรก็ได้อน า, าปานาสติลมหายใจอาศัยกายกายคตาสตินะอาศัยจิตอธิษฐานการงานก็ได้อาศัยอุเบขาอยู่ว่างๆเฉยๆวางจิตเฉยๆก็ได้หลายลักษณะผู้เช้าเขาแจกแจงไว้พูดถึงเรื่องอาศัยอะไรนะคะการงานเมื่อกี้ท่า น, าานพูดเป็นภาษาะอะไรจิตอธิษฐานการงานจิตจิตอธิษฐานการงานการงานเช่นสมมุติมีเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่า วันนี้เขาล้างจานปฏิบัติสมาธิอย่างเงี้ยนะคะ อ, อ, อ, อ, อะไรคือการล้างจานแล้วได้สมาธิต้องล้าง อ, อย่างไรอ๋อเช่นล้างจานเนี่ยใจเราเนี่ยอยู่ให้อยู่กับการล้างจานถ้าขณะล้างจานเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยใจอยู่ตรงมือที่ล้างนะั้นหรือเปล่าไม่ได้อยู่บนใจคิดไปโน้นคิดไปนี่นั่นนัไม่อยู่กับงานนะั่นน่ะค่ะทีนี้เราเราก็เกิดสงสัยละเอียดเพราะว่าบางทีบางคนบอกว่าถ้า ถ้าสมมติคนกำลังสมมติว่ากำลังกาลังใช้มีดผ่าฟืนอย่างเงี้ยนะคะถ้าผ่าฟืนแบบมีสติเนี่ยมันจะอยู่ที่มือจับมีดหรือมันจะอยู่ที่จังหวะของคมมีดกระทบฟืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าตรงไหนแน่แล้วแต่แล้วแต่อ๋อแล้วแต่เรากำหนดไ ด, ได้ทั้งนั้นใช่ใช่ใชเพรา ะ, ะนั้นอย่างล้างจานเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราจะจะกาหนดลงไปย่อยเล็กๆ ก, ก็ได้หรือกาหนด รู้เฉยๆรู้อิริยบทอากัปปิยาเฉยๆก็ได้เช่นรู้แค่ว่ายืนแค่ว่าเดินนั่งนอนก็ได้หรือว่ารู้ว่าเหยียดแขนคู้แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูเนี่ยผู้เจ้าบอกไว้หมดนะค่ะอ่าจะลงรละเอียดย่อยขนาดนั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยค่ะอยากจะยกตัวอย่างที่เฉพาะไปเลยเฉพาะกรณีอย่างล้างจานอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างที่ท่านบอกก็เป็นการเคลื่อนไหวของมือก็ได้ที่เคลื่อนไหวไปนี่ถือว่าเป็นการกําหนดอย่างกว้าง ใช่เคลื่อนไหวก็เรียกว่าละเอียดลงมาละคือจิตก็อยู่ที่มือข้างที่ล้างสมมติใช่ใช่ขณะนั้นคือจิตอยู่ในกายค่ะใช่ออืแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกจากกายไปคิดไปปรุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เรารีบทิ้งความคิดนั้นแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกที่เรากําลังล้างตรงนี้งานของเราเนี่ยจะละเอียดละออนะดีที่สุดนะเราจะล้างจานสะอาดที่สุดค่ะนี่ก็เหมือนกับว่าได้งานไปด้วยแล้วก็ได้ การภาวนาไปด้วยช่เพราะว่าถ้าคนคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอาจจะชอบแบบนี้ใช่ไหมคะคนมีไม่ค่าที่จะระบุว่าคนคนี้เหมาะกับอะไรคนคนนี้เหมาะกับแบบไหนอะค่ะอ๋อเช่นคนคนนี้เหมาะต้องนั่งสมาธิคนคนนี้เหมาะอ๋อให้ให้เราสังเกตเราเองแล้วก็ดูสารภาพของเราค่ะถ้าเราเป็นคาราวาเนี่จะเอาสัมมาสมาธิมานั่งเข้าชันหนึ่งสองสามสี่คงจะยากเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักบวชก็เอาเลยสัมมาสมาธิเข้าชันหนึ่งสสามสี่ให้ได้ใช่ไหม แต่เป็นคารวะก็ต้องหยิบนี่สัมมาสังกปะสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมาสังกปะก็ทิ้งความคิดอกุศลก า, ภ า, ภ า, ารปฏิบัตเปลียนเปลี่ยนใช่ไหมสัมมาวาจาคุมวาจาให้ถูกต้องสีสถานไม่พูดโกหกคาหยาบเพ้อเจ้อสอ่อเสียดอย่างนี้หรือสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้ตัวสติปัฏฐานสีนี่กว้างใช้ได้ทั้งคารวะแล้วก็มันวชิตนักบวชเหมือนกันสติปัฏฐาน4ี่คืออะไระบ้างคะการอาศัยกายเวทนาจิตรำเป็นที่ตั้งของจิต มันระลึกถึงกลับมาถึงตรงนี้สี่ฐานนี้ค่ะซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่คิดว่ามีรายละเอียดน่าจะต้องยกไปคุยในโอกาสต่อไปนะคะเพราะว่าเราคิดว่าจัดรายการทรรวิทยุเนี่ยถ้าไปพูดในเรื่องของการปฏิบัติมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ไม่เข้าใจแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ให้ได้รับทราบเพื่อนํามาไปปฏิบัติแบบง่ายๆได้นะคะอย่าง แต่แต่ก็ยังสงสัยอย่างบางทีที่เคยเคยเรียนถามท่านแล้วท่านพูดไปอย่างขับรถอย่างเงี้ย อ, อเราภาวนาก็ได้เนี่ยนะคะทีนี้การขับรถการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ อ, อเราก็เลยอยากรู้เออเราภาวนาได้เหรอภาวนาแล้วมันไม่ทําให้เราเสียสมาธิในการขับรถแล้วถ้าภาวนาเนี่ยจะภาวนาตอนไหนอย่างไรอ๋อค่ะก็คือใช้จิตอธิษฐานการ ง, งานเลยคือขับรถก็รู้ว่าขับรถ หน้าที่ของการขับรถอะไรดูกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างให้ควรอยู่ใจงานตรงนี้คอย่างเนี้ยก็คือเราจะได้งานที่ดีที่สุดตรงนี้เลยคือการขับรถที่ดีที่สุดใช่ไหมอ๋อคือเหมือนกับอยู่กับการขับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีอุบัติเหตุเพราะเราเรากําลังทําให้การขับรถดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไดีมากยิ่งขึ้นดีที่สุดคนที่ขับรถพลาดเนี่ยก็เพราะว่าใจมันลอยอะเผลอแค่เผลอไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอ่าไปแล้วนะข้างหน้าเบรกเราไม่รู้อย่างเนี้ยอทีนี้อย่างกับบางคนเขาก็ เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำทำงานอดีเรกนาคนก็มีสมาธิอย่างกับตัวเองเนียนะคะจะเป็นคนที่คิดว่าจะมีสมาธิได้ต้องหาอะไรทำยกตัวอย่างเช่นต้องเยบผักถักร้อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็ถือว่าก็อาศัยเป็นเป็นที่ตั้งของสติได้อยู่แต่มันมีข้อด้อยข้ออะไรไหมคะข้อด้อยของมันก็คือจะเปลอง่ายหลุดง่ายจะทาให้เราเพลินกับการงาน จนเราไม่ได้มองจิตของเราว่าจิตเราเนี่ยหลุดไปจากงานเมื่อไหร่บางทีก็ทํางานไปคิดไปเพลินไปเลยเลยไม่ได้ดูจิตไม่ได้คุมจิตอย่างเงี้ยะท่านก อ, อะไรจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็สู้การทําสมาธิปฏิบัติภาวนาอย่างเดียว อ, อยู่กับลมหายใจอันนั้นก็คือว่ามันอยู่ในอรีบทีท่มีเรียกว่ามีความตั้งใจมากขึ้นมีความแน่วแน่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าขณะทํางานทําไม่ได้ไงอผู้เจ้าให้โอกาส บอกวิธีว่าอ๋อถ้าคุณทำงานคุณจะทำยังไงถ้าคุณเดินคุณจะทำยังไงคุณนอนคุณนั่งคุณจะทำยังไงอย่างนี้ค่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะหาทางให้เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างได้บุญไปด้วยมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ไม่ตกต่ำไปด้วย uh huh. นะคะ uh huh. วันนี้ก็เลยพยายามที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับเราสามารถที่จะภาวนาในขณะที่ทาการงาน ได้อย่างไรแถมท้ายไปให้จากหัวข้อเรื่องใหญ่ตอนแรกถามเรื่องคนเคยรวยเนี่ยเสื่อมได้อย่างไรนะคะคือต่อมาจนเนี่ยท่านก็บอกว่าเพราะผิดศีลกับเพราะอบายมุกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ uh huh. แล้วก็เลยได้เอาข้อธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกว่ามีธรรมะอยู่3ามประการจะทำให้ชีวิตของคนไม่ตกต่าเลยโดยพระองค์เองในเก้บับของท่านไม่เคยตกต่เลยก็คือให้ทาทานเป็นนิด ให้มีธรรมะธรรมะข้อนี้คือการคมใจตลอดเวลากับสัญมญมะนะคะคือการสำรวมระวัง